วันนี้เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันอาสาลหาบูชาวันเพ็ญคือ15ค่ำเดือน8วันนี้เป็นวันที่มีพระนรตายครบสมบูรณ์คือเดิมทีวันวิสาขาบูชาเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าวันอาสาลหาบูชาจะมีพระธรรมและมีพระสงฆ์เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมคือผสมมเทศนาการแรกโปรดฤศี บรรจกวกขี่ทั้งห้ารูปที่ป่าอิสิปตนาเมลึกทัยวันใกล้พราศีแฟนมคธฤศีห้ารูปก็มีอัญญาโกธัญญาฤศีวับ ป, ปาะาพัทเทริยะมหานามะอัสชิศีัญญาโกธัญญาแล้วจากฟังธรรมจบก็ได้บรรลุโสดาบานันหรือดวงตาเห็นธรรมและท่านอื่นก็ได้ตาเห็นธรรมตามกันพอเห็นธรรมปุ๊บก็มาขอบวชเป็นพระสงฆ์โดยมีัญญาโกธัญญาเนี่ย เป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาทําให้มีพระธาตุสมบูรณ์ครบองค์สามเรื่องราวต่างๆเนี่ยวันนี้อาจารย์วระชัยก็จะไปพูดที่สารานาอาจารย์ไพสาลก็จะงปประเทศตอนเย็นอาธมาก็จะไม่พูดเรื่องเหล่านี้เพราะเจะไปซ้ํากันจะไปจะไปพูดเรื่องอื่นพรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาแล้วพระสงฆ์ก็เตรียมตัวจาพรรษากันรวมทั้งญาติโยมบางคนก็มาอยากแดนกา บางคนก็คุนหน้าอย่างเพราะจงก็จะมาถือศีลปรดุโบสดการที่เราส่วนรวมอยู่กันมากเราก็ต้องมีความสามาคัคคีและมีความเห็นที่คล้ายกันถืออยู่กันมีความสุขถ้าเรามีความเห็นที่แตกต่างกันการอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะขัดแยง้งขัดแย้งกันได้มีหลายวัดครูบาอาจารย์หลังจากมรณภาพไปแล้วไม่นานวัดนั้นก็เสื่อมเพราะว่าลูกศิษย์แก่งแยกกันเองแต่ละคนเขาอยากจะมีอำนาจ หรือไม่ก็ไม่มีวิสัยทัศน์คือบริหารงานไม่เป็นอาจจะขัดแย้งกันเองต่างคนก็ย่างแยกย้ายไปแยกย้ายกันอยู่โยมก็หมดศรัทธาจากคนเข้าวัดเยอะๆก็กลายเป็นหายไปทีละคนสองคนส่วนมากจะเป็นแบบนี้ยกเว้นวัดที่พระสามัคคีกันแล้วก็บุคลากร อ, อยู่ครบไม่ขัดแย้งกันวัดนั้นก็จะเจอรุ่งเรืองถึงครูบาอาจารย์เสียไปแล้ววัดก็ดําเนินต่ออยู่ไปได้โดยไม่เสื่อมมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องนี้มีวัดป่าอยู่แห่งหนึ่ง อดีตเคยเจริญรุ่งเรืองมีเจ้าว่าเป็นนักเทศชื่อดังแต่ตอนนี้ได้ละสังขารไปนานแล้วมีพระสามรูปมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายเดินเข้ามาในวัดเดินเข้ามาสารานาก็เห็นยญ้าท่วมสูงเห็นพระพุทธ ร, รูปบนเศียรก็มีหลังต่อหลังแตนยักษ์เยือยักษ์ใหญ่เต็มไปหมดเก้าอี้ต่างๆของใช้ต่างๆเดิไปด้ื่อย ย, ย, ย, ยักษ์เยือกยักษ์ใหญ่ มีกินอายของความรลกล้างแต่ว่านี่เป็นวัดใหญ่อดีตเคยลูกเรืองมาก่อนโรงครัวเคยทำอาหารเลี้ยงคนได้ทีงหลายร้อยคนตอนนี้ก็เหลือแต่หมอ้หมอข้าวหม้อกแกงของใช้ต่างๆที่ชำรุดมีเตาบุได้ฝุ่นไม่เหลือเขาโค้งของความลูกเรือในอดีตเลยผ้าสามรูปยืนชมสักพักหนึ่งก็มีคนเอ่ยขึ้นมาว่าอะไรเป็นเหตุให้วัดล้างผ้ารูปหนึ่งก็บอกว่า พระที่วัดคงไม่มีศรัทธาไม่ไหวพระสวดมนต์เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงไม่ช่วยเหลือคงเป็นเหตุทําให้วัดล้างรูปที่สองก็บอกว่าเพระพระในวัดขี้เกียจไม่ช่วยกันบำรุงบรูรณะซ่อมแซมให้ให้วัดดีทําให้คนเนี่ยเข้ามาเห็นแล้วหมดศรัทธาทําให้วัดล้างพระรูปที่สาก็บอกว่าพระในวัดไม่สํารวมไม่ยอมฝึกกรรมาฐานกันจึงเป็นเหตุให้วัดล้าง พระทั้งสารูปเนี่ยจะมีความสามารถแตกต่างกันพระรูปแรกเป็นพระที่สวดบนเก่งคือเป็นพระนักสวดพระรูปที่สองมีความสามารถทางด้านช่างคือเป็นช่างไฟช่างปลาปาช่างไม้ช่างอะไรเก่งหมดอะ่ะพระรูปนี้พระรูปที่สามเป็นพระนักเทศสอนกรรมฐานด้วยทั้งสามท่านเนี่ยมีความสามารถแตกต่างกันก็เลยตัดสินใจจะช่วยกันพัฒนาวัดคืออยู่ด้วยกันแหละ ว่าจะทํางานถึงให้วัดเนี่ยกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งพระสามท่านนี้ก็ไวกลางคนพระสวดมนต์ก็เริ่มสวดมนต์แล้วก็นําชาวบ้านม า, มาร่วมสวดด้วยรูปที่สองไปพระช่างก็เริ่มซ่อมแซมกุฏิซ่อมแซมสาราหน้าซ่อมแซมโรงครัวทาสงทาสีทําให้น้ําไฟกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วก็ตกแต่งในบริเวณทําให้วัดเนี่ยน่าอยู่ขึ้นใครเห็นก็อยากเข้ามา พระรูปที่สามซึ่งเป็นพระกรรมฐานก็เริ่มที่จะสอนโยมแล้วก็เทศให้โยมรู้อะไรดีอะไรไม่ดีบาปบุญคุณโทษต่างๆก็สอนโยมให้ฝึกกรรมฐานสร้างความรู้สึกตัวทั้งสามวัดต่างขยันขังแข็งร่วมมือกันทําจากวัดล้างชาวบ้านก็เริ่มศรัท ธ, ธาเข้ามาวัดเรื่อยๆจากไม่กี่คนแล้วกลายเป็นร้อยหลายร้อยตอนนี้วัดนี้กับฟื้นมาอีกครั้งหนึ่งละ หลังจากนั้นผ่านไปประมาณครึ่งปีก็มีเสียงเพราะฉันตังหากที่ขยันไหวพระสวดมนต์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเมตตาและช่วยเหลือคุ้มครองทําให้วดัดได้จเจริญรุ่งเรืองคนหนึงก็เพราะฉันต่งหากที่ขยันบำรุงบวนะัวณะซ่อมแซมต่างสิ่งขอ ง, ของต่างๆทําให้วัดได้รุ่งจเจริญและน่าอยู่ขึ้นเพราะฉันต่งหากสอนกรรมฐานให้โยมทำให้โยมเนี่ยเกิดศรัทธา มาวัดกันมากขึ้นทั้งสมท่านเถียงกันคอเป็นเอ็นต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันต่างยกว่าเป็นเพราะผลงานของตัวเองจึงทําให้คนมาวัดมากผลที่สุดจึงตัดสินใจยแยกย้ายกันไปชาวบ้านก็หมดศรัทธาแล้วตอนนั้นแหะแบบเริ่มหายไปทียบคนสองคนเพราะเอือมละอาผ้าสามรูปนี้ที่ทะเลาะ ก, กันอยู่เรื่อยก่อนที่ทั้งสามท่านจะจากไปก็ได้คําตอบแล้วว่าอะไรที่ไปเหตุให้วัดล้างและวัดเสื่อมคือ ความไม่สมานฉันทน์นหาะความไม่สามัคคีกันแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันแต่แขาอยากจะมีอำนาจอยากเป็นใหญ่อันนี้เป็นสาเหตุที่วัดทั่วไปในประเทศไทยเสื่อมต่างประเทศก็เหมือนกันแต่ถ้าวัดใดพระในวัดมีความสามัคคีแบ่งปันความดีคือแบบตั้งจิตไว้ว่าจะทําทเพื่อส่วนรวมไม่ทําเพื่อประโยชน์ส่วนตัวใครมีความสามารถด้านใดเราก็ให้คนที่มีความสามารถด้านนั้นทำไม่แย่งไม่แย่งงานเขาทํา เพราะแต่ละค น, นจะมีความสามารถแตกต่างกันไปบางคนก็เก่งด้านโน้นบางคนเก่งเก่งด้านนี้ไม่มีใครเก่งเหมือนกันนะครับเราสามารถใช้ความสามารถของคนเนี่ยมารวมพลังกันได้เพราะที่วัดเสื่อมเพราะว่าคนไม่มีความสามารถมาบริหารทําให้เสื่อมถ้าคนมีความสามารถบริหารเนี่ยจะจ่ายงานเป็นแล้วคนก็จะช่วยร่วมมือร่วมใจกันแบ่งปัดฟามดีซึ่งกันและกันนอกจากไม่เสื่อมแล้วจะเจริญยิ่งยิ่งกว่าเดิมด้วยบางวัด ท, ทําที่ไม่ทําให้เสื่อมก็มีอยู่เจประการ คือหนึ่มันประชุมกันอยู่เป็นนนิด 2. เมื่อประชุมกันก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกก็พร้อมเพียงกันเลิกแล้วก็ตั้งใจทำกิจของส่วนรวมโดยพร้อมเพียงกันข้อที่สแล้วก็ไม่ไม่ประหยัดสิ่งที่พรุทธเจ้าไม่ได้ประหยัดขึ้นแล้วก็ไม่เลิกถอนสิ่งที่พระ อ, องค์ประหยติไปแล้วตั้งใจสมาทานสิกขาบทที่พระ อ, องค์ทรงประหยติไว้ด้วยความเคารพข้อที่สี่ ขารบประธานสงฆ์ที่เป็นผู้ใหญ่เชื่อฟังเชื่อฟังท่าน 5. ไม่รู้แก่อำนาจความอยากคืออยากได้อย่างมีอยากเป็นอะไรต่างๆ 6. ยินดีในเสนาสนะป่าข้อที่7พภิกษุสามนเนณรที่มีศีลที่ยังไม่มาก็ขอให้มาที่มาอยู่แล้วก็ขอให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขถ้าวัดใดทำได้7ข้อเนี้วัด น, นั้นจะไม่เสื่อมเลยจะอยู่กันผาสุกต่อหลังพวก บ้านเมืองก็เอาเอาเศษข้อเนี้ยไปใช้บ้านระดับตำบลอำเภอจังหวัดเนี้ยเพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนเราต้องการอะไรบางทีก็ต้องประชุมกันประชุมแล้วเปิดอกอะ่ะจะได้เข้าใจใฝ่ายต้องการอะไรแต่ถ้าเราไม่ประชุมกันไม่บอกก็ใช้ใช้วิธีคิดตัวเองบางทีก็ทําให้ไม่เกิดประโยชน์กับส่วนรวมเพียงการทำกิจทุสงเนี้ยวัดเราเนี้ยร่วมใจกันทำกิจทุสง์ก็คือธรรวัฒเช้าธรรวัดเย็นพระบินฑบาตถึงวเวลาวันพระบาฟังปฏิโบุกหรือวันสำคัญทางศาสนา แล้วก็มาประชุมพร้อมกันแต่ถ้าพระบางท่านขี้เกียจไม่มาไม่มาทําตามใจตัวเองตัวเองก็เสื่อมเป็นกรรมเบาๆแล้วบางครั้งเราก็ต้องขอรบผู้ใหญ่ที่มีภาษามากกว่าหรือทําให้ทีเป็นประธานสงฆ์แล้วก็ไม่รู้อํานาจเกี่ับความอยากก็คืออยากได้อยากมีอยากเป็ น, อ ย, นอยากได้นู่นอยากได้นี่ที่ไม่ใช่นิสัยของ พ, พระพออยากได้เอามากก็ทําตามใจกิเลสอันนี้ก็ทําให้เสื่อมได้ พรยิ่งอยากเท่าไหร่ก็ยิงยิงทุกแล้วก็พอใจในการอยู่คนเดียวอยู่ป่าอยู่คนเดียวไม่คุ้มไม่คู่คีกับบุคคลนะเพราะการคุกคีบบุคคลเนี่ยก็จะไปพูดคุยการคุยเล่นหยอกล้อกันทําให้จิตมันเพลินไม่ไม่ไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนดูดูตัวเองทําให้เสียเวลาเปล่าๆเพราะการอยู่กับตัวเองเนี่ยจะทําให้รู้จักตัวเองมากขึ้นแต่ถ้าเราไปคุกคีกับหมูนะก็สรุปเฮฮาเป็นวันหนึ่งประโยชน์ก็น้อยเพราะวันคืนล่วงไปล่วงไป เราถ้าเราตั้งจิตปรารถนาดีป้าขอให้คนที่ยังไม่มาอยู่ที่มีศีล น, นะไอ้ที่เกเรไม่ต้องมาหรอกขอให้มาอยู่ที่อยู่แล้วก็ขออยู่เป็นสุขเป็นสุขมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันร่วมเกิดก็ขอให้อภัยหติกรรมซึ่งกันและกันอันนี้สังคมนั้นก็จะผาสุขหมดมีทฐานอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยกรุง ศ, ศรีอยุธยาพระเจ้าเสือท่านจะมากร า, าบนมัสการพระพุทธบาทที่สระ บ, บุรีก็เดินทางมาทางเรือ มีมหาดเล็กแล้วก็ทหารแล้วก็ฝีพายขาะที่เรือกําลังแล่นอยู่ฝีพายซึ่งกระพายเรือไปแล้วก็เริ่มบ่นอึดอัดเพราะเหนื่อยฝีพายไปทํางานหนักแงะไปบอเห็นมหาดเล็กนั่งหลับสปงกอยู่สบายไม่ได้ทําอะไรฝีพายก็เลยรู้สึกหม่นไส้เลยพูดออกมาแบบเด็ดแนมว่าคนเหมือนกันนี่วาสักพักหนึ่งฝีพายก็พูดอีกคนเหมือนกันนี่หวา พระเจ้าเสือสังเกตเห็นแล้วก็รู้ว่ารู้ว่าฝีพายคิดอะไรจรึงวางอุบายไว้ว่าเดี๋ยวเราสั่งสอนฝีพายคนนี้ซะหน่อยขันเรือแล่นไปถึงที่พักระหว่างทางหรือพระพาชั่วคราวพระเจ้าเสือก็บอกให้มหาดเล็กโคนสนิทเนี่ยไปทำธุระที่อื่นแล้วก็เรียกฝีพายมาบอกเองจะเข้าไปดูใต้ถุนที่ว่ามีอะไรเสียงเอาอะขมขามเนี่ยฝีพายกมุดเข้าไปแล้วานกลับออกมาว่าหมาออกลูกพระเจ้าค่ะ พร้าเสือก็ถามต่อกี่ตัวฝีพายคันเข้าไปครั้งที่สองสี่ตัวพระเจ้าค่ะพระจ้าเสือถามต่อแล้วสีอะไรฝีพายคันเข้าไปครั้งที่สามสีดำสองตัวสีน้ำตาลสองตัวพระเจ้าค่ะพระเจ้าเสือก็ถามต่ออีกว่าเราแม่หมาสีอะไรฝีพายคันเข้าไปกลับออกมาบอก แม่หมาสีนวลพระเจ้าค่ะแล้ ว, ลวสักพักหนึ่งพระเจ้าเสือก็เรียกมหาเลขข็กคนสนิทมาบอกเอ็งลงไปดูสิข้างล่างเนี่ยมันมีเสียงอะไรมหาเล็กลงไปดูสักพังกลับมารายงานมีมีหมามีหมาออกลูกสี่ตัวสีน้ำตาลสองตัวสีดำสองตัวแม่หมาสีนวลพระเจ้าค่ะ พระเสือหันไปตอบว่าโคจยาวเรือ ว, ว่าไหนเอ็งบอกว่าคนเหมือนกันแต่ทำไมไม่เหมือนกันเอ็งเข้าไปต้้งห้าครั้งถึ ง, ถงให้คำตอบได้แต่มหาลัยเล็กเข้าไปครั้งเดียวสามารถตอบเหมือนที่เอ็งตอบได้หมดเลยว่าแล้วก็ตำหนิอยู่ภากหนึ่งฝีพายก็ถึงรู้และสำนึกผิดเพราะคนเราเนี่ยจะบางครั้งจะไม่เข้าใจตัวเองก็จะเปรียบเทียบ กับคนอื่นเมื่อจะเป็นการทํางานในบริษัทในวัดหรือที่ต่างๆเนี่ยบางทีฟวาสามารถคนจะไม่เท่ากันบางคนจะเก่งด้านโน้นบางคนเก่งด้าน น, น, า น, า น, า น, นี้แต่เราไปเปรียบเทียบก็ทําให้ชีวิตเราเนี่ยไม่มีความสุขบังคับเป็นปมด้อยด้วยซ้ําก็ทําไมเขาถึงไม่ให้เราทํางานอย่างนี้ให้เราไปทํางานอย่างนู้นก็เหมือนกับคนเจ้าเรือนนี่แหละมหาเล็กมีปัญญามากกว่า สามารถจดจําสิ่งต่างๆได้มีวิสัยทัศน์แต่ฝีพายไม่มีเลยฝีพายมีแต่กำลังก็จะทํางานที่ตัวเองเน่ะชอบใช้กําลังแต่ไม่ใช้สมองไม่ใช้ปัญญาทุกที่ก็เหมือนกันที่วัดนี่ก็เหมือนกันที่วัดเนี่ยจะมีพระที่มีความรู้ต่างๆบางคนก็จบหมอบาบางคนก็เก่งทางด้านคอมพิวเตอร์บางคนก็เป็นช่างเราสามารถใช้ความสามารถของของพระที่อยู่ในวัดเราได้มาพัฒนาวัดช่วยเหลือวัด เพราะสิที่เราขาดนะมักจะอยู่กับเพื่อนอยู่คนอื่นไม่ได้อยู่กับเราหรอกเพราะคนเราบีกิเลตไม่เหมือนกันมีความชอบไม่เหมือนกันอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินดูหนังฟังเพลงอย่างเพลงบางเพลงเนี่ยคนไอ้คนที่ชอบอย่างเลยไอ้คนไม่ชอบหรอกและไม่สนใจแต่เพราะคนเราจะบีกิเลตแตกต่างกันหนังก็เหมือนกันหนังที่บางคนก็ชอบชอบหนังเรื่องนี้อีกคนให้ดูฟรีย่างเสียเวลาเลยหรือบางคนเนี่ยไปดูหนัง บางเรื่องที่ถูกเคลียรตัวเองอ่ะหัวลอกก็อีกคนึดูไม่ขำได้เลยแต่อีกคนที่ไม่ขำไปดูอีกเรื่องหนึงอาจจะหัวลอกก็ได้ความแตกต่างอันนี้การอยู่ร่วมกันความสามัคคีการแบ่งปันความดีจึงสําคัญมากคือดังแล้วไม่แยกวงมีก็มีนักร้องแหละดังแล้วแยกวงหลายวงแล้วเพราะว่าแต่ละคนก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเก่งกว่าพอแยกวงไปส่วนมากจะดับนะไม่ค่อยจะไม่เหมือนก่อนแล้ว แล้วก็มีบางเรื่องเราก็ต้องเข้าใจนิสัยของเพื่อนด้วยอย่าตาบามอวานก็เจอปัญหาคือว่ามีไพ่รูปหนึ่งเป็นเพื่อนอนาบามเองแหละเรารู้จักกันมาตั้งแต่ปี39เคยอยู่สวนโมกด้วยกันท่านเกิดอุบัติเหตุตกหลังคาแล้วก็ผ่าสมองไปหลายส่วนความจําท่านเลยเสื่อมคือหลวงพิชัดหลวงพิชัตเป็นคนมีความรู้มากภาษาแรกที่อยู่สวนโมกด้วยกันเนี่ยท่านก็เป็นนักเทศแล้วคนอื่นยังไม่กล้าแสดงธรรมเลยคือท่านเป็นคนที่มั่นใจตัวเองมาก ความรู้ว่าท่านจบธรรมศาสตร์มาท่านอาจหาังเลือกแสดงทำท่านก็เป็นคนดูแลมูลที่หลบมาเทียนแต่นิสัยท่านมีอยู่จุดหนึ่งที่ท่านชอบเป็นพิเศษคือตัดต้นไม้เมื่อก่อนอามาเคยไปอยู่กับท่านก็เป็นลูกมือกันแหละช่วยกันท่านเป็นโค่นต้นบาดูเลยยี่บกว่าต้นในวัดเตียนหมดเลยต้นบาดูต้นใหญ่นะใหญ่เลยนอกโค่นและเผาท่านเกิดอุบัติเหตุคืออยากขี่จะไปตัดต้นไม้เนี่ยมือเรีากาบิโต้เลย ไ, ไปฟันกิ่งไม้ที่อยู่บนหลังคาหลังคาโรงครัวแล้วได้ฟันพลาด บึกระเบื้องแล้วไม่ยืนอยู่ตรงที่รับหนักไม่ได้ตกลงมาเนี่ยมื อ, อยังกาบิโต้อยู่หัวหัวก็ฟาดเก้าอี้ถ้าไม่มีเก้าอี้ e. ท่านตายแล้ววันนั้นเพราะว่ามันมันลงสองจังหวะแล้วก็ตกถึงพื้นมื อ, อยังกาบิโต้ขาเลือดก็ไหลท่วมขาเลยอัตมาเป็นคนพาท่านไปส่งโรงพยาบาลหัวกระแทกรุนแรงมากก็เลยต้องคือสมองหดตอบช้ามากก็เลยต้องเอาสมองออกชีวิตท่านเลยเปลี่ยนเลยเพราะตอนแรกท่านมีอนาคตมาก มีคนเชิญเป็นเจ้าวาดบางทีก็เคยพูดธรรมะออกโถ ท, ทัศน์มาแล้วออแล้วก็มีลูกศิษย์เยอะชีวคนเราไปของไม่เที่ยงจากคนที่เคยลุ่งค น, คนมีความรู้ควารมรู้ของท่านเลยสูญเสียบทเลยตอนนี้ท่านก็เหมือนปอนหนึ่งจากคนเคยจบธรรมศาสตร์ชีวิตเปลี่ยนท่านก็มาอยู่วัดเราก็หลายปีแล้วแต่ช่วงหลังด้วยความที่ท่านความจําเสื่อมเกิบางทีก็เห็นชีวิตเปชอบแหละก็เอากันไกลมาตัดกิ่งไม้ แต่ถ้ามีความรู้เรื่องต้นไม้นะตัดตัดด้วยความด้วยความอยากถามคิดว่าทําดีแล้วแต่ความไม่รู้นะไงเลยตัดต้นไม้ต้นใหญ่ให้เป็นต้นเล็กอะ่ะตัดทิ้งอะ่ะต้นไม้ใช้เวลาปลูกต้องหลายปีไอ้ต้นประยงอะ่ะเราปลูกมาห้าปีท่านใช้เวลาตัดแค่ปั๊บเดียวเองตัดทิ้งเหลือครึ่งต้นเองต้นวัฒนากําลังสวยๆตอนนั้นโดยทานตัดไปทิ้งแล้วก่อไปโรงพยาบาลท่านก็กลับไปรู้ว่าลมาตัดมาอีกตอนแรกมันออกมั น, ม, นมันบาน แล้วก็กําลังผลิตใบสวยเลยตัดหัวทิ้งปุ๊บก็กลายเป็นหัวด้วนเป็นความสุขเหวาสนาต้นนี้สองรอบแล้วอารามาก็ดูวิ่งถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยอันตรายเพราะถ้าจะไปตัดต้นไม้ที่หอ่อไตหรือก็ที่จุดอื่นด้วยเพราะว่าเรามีต้นไม้หลายจุดด้วยความหวังดีต้นมากน้ากุดอารมา ก, ก็ยังไปตัดเลยเพราะความความอยากอยากเอาใจคนอื่นท่านตัดก็ไม่ได้เจตนานะไปมารต้องต้องตบบ่ อ, อ, บอถ้ารู้ ปู่วังก็ตอว่าท่านเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่บอกเนี่ยเราเพิกเฉยเป็นอันตรายเพราะไปไปตัดของคนอื่นไปตัดต้นไม้ห่อตายเงี้ยก็ทําให้ต้นไม้ต้นใหญ่กลายเป็นต้นเล็กทั้นการอยู่ด้วยกันเนี่ยบางครั้งก็ต้องบอกฮะถ้าบางครั้งเราเราตดูเพื่อนไม่ให้ทําสิ่งที่ผิดเราก็ต้องดู่ฮะปล่อยวางไม่ได้เพราะว่าถ้าปล่อยวางท่านจะได้ใจทําอีกแล้วก็เสียหายแก็ส่วนรวมแต่บางครั้งเราก็ต้องปล่อยวางเพราะว่ายังไงต้นไม้ที่ตัดไปมันก็ไว้ฟื้นแต่ถ้าไม่บอกท่านก็ไม่รู้ แต่ท่านก็เป็นคนบัณฑิตนะท่านก็ขอโทษขอพวยขอเข้ามาแต่ถ้าเป็นคนพาเนี่ยจะไม่สํานึกผิดเลยคือท่านก็มีความสํานึกผิดอ่ะว่ารู้ว่าผิดไปแล้วทีหลังอย่าทาอีกนะแต่ท่านภาษามากอาธมานะแต่มาจําเป็นต้องบอกเพราะว่าเราไม่บอกไม่ได้ไม่บอกต้นไม้ที่วัดนี่มากมายจะต้องโดนตัดอีกตัดทิ้งนะฮะไม่จะตัดให้ดีขึ้นถ้าตัดให้ ด, ดีคือตัดกิ่งตัดตัดดอกใบที่เสียออกอย่นี้อันนี้ตัดตัดเป็นแต่ถ้าตัดไม่เป็นเนี่ยตัดตรงกลางเลย ต้นไม้จากต้นโตก็กลายเป็นต้นเล็กคือเสียหายอะ่ะเพราะกว่ายโตใช้เวลานานอะ่ะต้นไม้จากต้นหลังการหยุด้วยการการเปิดใจการสิ่งเหล่านี้ทําให้เราเนี่ยอยู่กันผาสุขได้ไม่เบียดเบียนคนตนเองไ ม, ไ, มไม่เบียดเบียนคนอื่นให้ทุกข์อันนี้ถ้าอยู่เข้าบรรษาก็จะอ ย, อยู่อยู่เข้าบราษาแบบมีความสุขอันนีขข้ขอฝากไว้แม่เป็นญาติโยมแล้วก็พระที่จําำรรษาเพราะสิ่งที่มีปัญหา ก, ก็คือความไม่สามัคคี ความขัดแย้งแต่ถ้าเราเปิดใจเราขัดแย้งกับใครเราก็ไปเคลียร์ได้อะเคลียร์แต่เคลียร์แบบดีนะไม่ได้ไปทะเลาะเบาแวงบางข้อบางคนอาจจะทำเพราะความไม่รู้เพราะแต่ละคนเนี่ยจะมีอัตราของตัวเองนั่นแหละว่าเราทำอย่างนี้ถูกนะเชื่อผักที่ตัวเองไว้ก่อนแต่ถ้าเราเห็นเห็นเราก็บอกท่านไม่เชื่อก็ตามใจท่านนั่นเชื่อก็ดีไปเป็นประโยชน์กันส่วนรวมแนละ้วก็อยู่กันจังพารสุขามาเห็นว่าพูดมาก็สมควรกับเวลา ก็ขอญ า, าติธรรมญาติโยมเพื่อศาธารมิกทุกท่านมีความสุขแล้วก็มีความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปขอจบลงแค่นี้